การทำต่ออีกให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติทั้งได้ทมทั้งได้จินก็ <c oughs> <c oughs> จะให้สะดวกในการ กระทำของเราเรามาฝึกกรรมฐานเหมือนกับมาลลงสนามกีฬาอเอกายเป็นสนามเอาสติเป็นที่เล่นสนามให้รู้ไปในกาย วิธีใดที่จะรู้ไปในกายมีเจตนามีศรัทธาสร้างขึ้นมามีความเพียรประกอบขึ้นมามีสติรู้ไปตามเรียกเป็นทีมชิบสี่จังหวะชิบสี่รู้ให้วัมนคล่องตัว กานมันจะรู้ทุกอริบทความที่เราเจตนาสร้างตามรูปแบบของกรรมฐ า, านโดยเฉพาะกายและปัจจนามันยาบจาบไม่ไ่าจะหลง <c oughs> ให้เหมือนอานาปานาสติลมหายใจลมหายใจมันละเอียดกว่ากาย คนอื่นไม่ค่อยจะเห็นตัวกายเคลื่อนไหวคนอื่นเห็นมันหยาบสัมผัสได้มันมีกายมันมีการเคลื่อนไหวให้สัมผัสให้รู้ไปต่างการเคลื่อนไหวชิบชีจังหวะชิบชีรู้อวัยวะคล่คองแคล่วชํานาญ ระหว่างดูกายเคลื่อนไหวมีสติเล่นกีฬาตรงนี้มันจะมีอันอื่นทำให้เราหลงได้น อ, อกจากเจตนาจะลู่กายไม่เรื่องที่จะหลงแทรกซ้อนทางซ้ายทางขวาตรงหน้าข้างหลังมันเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างไม่ใช่กายอันเดียว มันมีเวชนามีสุขมีทุกข์มาจัดแสดงออกมามันสุขมันทุกข์เกิดกับกายที่มันเคลื่อนไหวต้องมีแน่ๆทวามปวดความเมื่อยความเหนเหนื่อยเมื่อยล้านี่เป็นเรื่องของกายเรื่องของคิดที่มันคิดก็มีเหมือนกัน ก็มันเคยเคยเป็นอย่างนั้นตอมหัสอย่างนี้มันก็จะแทงกมันเคยกินถ้นนาหนมันจะหลงไปถ้าหลงไปไม่ใช่มาลู้เรื่องกายแสดงว่ามันก็ไม่ชำนาญไม่เป็นนักกีฬาเรา <c oughs> จึงหัดตัวเอง ถ้าพูดถึงการเล่นก็เล่นคนเดียวจะแพ้ก็แพ้คนเดียวชนะคนเดียวถ้ามันหลงก็แสดงว่าแพ้ถ้ามันรู้ก็แสดงว่าชนะเล่นเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นนอกจากกายรู้กรรมเล่นที่กายต่อเอากายเป็นที่ตั้งเอากายเป็นหลักเอากายเป็นที่ฝึก เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแม้อย่างเอ่ยมันจะเกิดขึ้นมาก็รู้ไม่ไปกับเขาเรามีหลักเอาเล่นอยู่นี้ก่อนนานเท่าไหร่อย่าไปกำหนดมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นคิดจะหยุดคิดจะทำคิดจะ เดินไปไหนมาไหนก็อย่าให้มันยิ่งใหญ่จนมันลากเราไปให้เราไปของเราเองมีสตินำไปให้ใช่ความคิดความหลงความโศกความทุกข์นำไปมันเคยจูงลงไปมาครับเรามาเคยจูงเรไปเรามาอะไรต่าง นานแล้วบทนี้เราจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นสวนตัวจะไม่ไปตามอะไรทั้งหมดจะไปของเราเองมีสติพาภัยแล้วก็พึกจากนี้ให้มันคล่องแค่วอะไรที่มันชวนให้หลงนอกจากกายรูปหมดกลับมาให้เป็นมาตั้งไว้ที่เดิมให้เป็น สนุกตีกลองเท็จองจริงมันบกลองหลงมันก็ไม่จริงแต่มันมีอยู่แต่มันไม่จริงลองรู้สึกตัวมันจริงลองสูกความทุกข์มันก็ไม่จริงลองรู้สึกตัวนี่มันจริงลองผั ด, ดัว ถ้าหากว่าเล่นเป็นมันจะรู้ทุกอย่างมันจะไม่เป็นฉุกก็ไม่เป็นฉุกเห็นเหมือนฉุกแต่ก่อนมันเป็นฉุกมันทุกก็เห็นเหมือนทุกไม่เป็นทุกแต่ก่อนมันเป็นทุกมันพอใจมันไม่พอใจก็เป็นไปความตามความพอใจตามความไม่พอใจ แับนี้เราเห็นเราไม่เป็นไปอย่างนั้นตาว่าที่รู้มันจะเห็นเห็นแล้วก็ไม่เป็นไปกับอาการต่างๆจิ่งที่มานชวนให้หลงเรารู้รอยมุมหลายแง่มันก็ดีได้ประโยชน์จากความหลงได้เกิดความรู้ถ้าเราไม่ปึก ความหลงทาให้หลงความทุกข์ทำให้ทุกข์ความสุกทําให้ถูกความรักทำให้รักความเฉียดชังทําให้เกิดคขวางเฉียดชังความพอใจทาให้เกิดความพอใจความไม่พอใจทําให้เกิดความไม่พอใจมันเป็นวัฏฏะเรื่องเก่าเรื่องอะไรเกิดอยู่บ่อยๆไม่ผ่านชักวทียิ่งเป็น ดินพวกขาวหูเพิ่มขึ้นวัดนี้เรามารู้รเราหมาัวรู้เราไม่กลรมแบบใหม่แต่ก่อนมันไม่มีกรรมมันเป็นวัตตะมันเป็นวิบากอะไรเกิดขึ้นออกไปตามอาการต่างๆเกิดอยู่ในกายในใจเรานี้แบนนี้เราเห็น เรีพ้นเวรพ้นกรรมเราไม่เป็นถ้าเป็นเรียกว่ามีกรรมถ้าไม่เป็นเรียกว่าไม่มีกรรมมีแต่กรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กรรมที่เป็นอกุศลเปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลเปลี่ยนเป็นเป็นไม่เป็นเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนอะไรต่างๆที่มันเป็นทั้งหลายทั้งหลายมาไหมมาเห็นไม่เป็น น ก, ก็ค่อยเป็นอิสละขึ้นเห็ น, เ ห, นเห็นทุกข์มันจึงพ้นจากทุกข์เห็นหลงจึงพ้นจากหลงถ้าไม่หัดมัไม่พ้นมันมีแต่เข้าไปเป็นนี่แต่ว่ากรรมฐานมันศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่ก่อนเป็นสาธารณะชีวิตของเราหอบอะไรหอบพิ้วไปไหนก็ไป นี่มันเป็นสวนตัวมันเป็นสวนตัวชีวิตมันมีสองอย่างชีวิตที่ได้จากกายจากใจหายใจได้กินได้นอนได้หายได้พูดได้ทำอะไรได้ทำดีได้ทำช่วยได้นั่นไม่ใช่ชีวิตจริงๆเป็นกรรมที่รับใช้สิ่งต่างๆ วิตส่วนที่เป็นชีวิตจริงๆมันเห็นมันเห็นนี่คือชีวิตแต่ชีวิตที่เป็นเป็นกายเป็นใจนั่นน่ะเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นะมันมีการเกิดแก่เจ็บตายชีวิตอันนั้นน่ะชีวิตที่มันเห็นเนี่ยมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายไปกับอะไรต่างๆเราจึงมาดูมาเห็น ให้มันเหนือการเห็นมันเหนือการเป็นมันต่ำต้อยถ้าเราเพกไปเพกไปเห็นทุกเรื่องเห็นทุกอย่างเห็นทุกอะไรต่างๆหลายอย่างที่เกิดกับกายกับใจเนี่ยมากมายแต่บอรี่พันอย่างเข้าแถวมาให้ดูหมดเหมือนกันเรางี้อ่า เลดาหรือมีอะไรคอมพิวเตอร์มีอะไรที่ดูโลกย่อมาดูหน้าจอเราได้ศึกษามันหน้าศึกษาวิตของเราได้มันแตกฉานมันจบเป็น ว่าเราได้เห็นเราหลงก็จบทุกก็จบโกรธก็จบโลกก็จบจบไปหล่ยอย่างจบไม่กระทั่งเกิดเจ็บเจบตายจบไปเลยตั้งแต่ชีวิตน้อยๆไม่ใช่ไปเห็นแก็เมื่อเหมือนเจ็บไม่ใช่เห็นเจ็บเมื่อเหมือนเจ็บไม่ใช่เห็นตายเมื่อเหมัอนตายไม่ใช่เห็นมันเดี๋ยวนี้ เกิดดอกเกิดดอกอยู่เนี่ยเป็นภพเป็นชาติอยู่เนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเป็นสุขก็เกิดเจ็บหาตายในความสุขเป็นทุกข์เกิดเจ็บเจบตายในความทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจเกิดเจ็บเจบตายในความพอใจความไม่พอใจเหตุการเกิดดอกเรียกวัฏตะบางทีเราสร้างขึ้นมา มันไม่มีเป็นวัตตะเช่นอะไ ร, ะไรเช่นสุบูรีโ็สุบเป็นกรรมติดเป็นกิเลสอยากเป็นมิบากสร้างขึ้นใหม่อะไรก็ตามมันอยู่ในลักษณะแบบนี้ อุ s u กอนทุกพามันไปติดมันติดได้มันเป็นวิญนญาณเป็นขันห้าที่เป็นอุปทานเรียกว่ารูปขันรูปมันเป็นรูปลู่นามมันติดได้ใช่อ่ให้มันทำอะไรมันก็ติดแล้วนั่น สุขมัน ก, ก็ติดทุกข์มันก็ติดโกรธโลภหลงมันติดที่เหลือตันหามันติดเป็นจริตลาข้าจริตบุญเตีงโทเสจริตปุญเตีงแบบโมหะจริต องแต่งไปติดเป็นจริตแต่ละชีวิตที่ดื้อด้านไม่สอนตัวเองดื้อแล้วยังรับใช่มันอยู่โตจะจริตมีความโกรธออกหน้ารับใช่ความโกรธงอหายจริตมีความหลงออกหน้ารับใช่ความหลงไมหลงก็พยายามสร้างให้มันหลง ราคาจริดราคาออกหน้าสร้างไม่เกิดราคา ข, าขวงมันนัดราคาเย็นดีพอใจจนเหนียวแน่นติดสอกสอกสอกสอกส่หาทำไม่ได้ไม่ได้หลับได้นอนก็มีเทิไรไท์ง ท, ที่ไหนไปที่นั่นตีฉีดีปอกที่ไหนไปที่นั่น แต่งที่ไหนไปที่นั่นหลอมที่ไหนไปที่นั่นเล่นที่ไหนไปที่นั่นมีอะไรที่หลอกให้หลงหลงแต่เพือ่อไปให้รูปไหนรถในใกิ่นในเสียงเป็นลาค้าฉลิตซื้อเอาปล้ปนเอาข่<ล>มหืนเอา<ล>จนทําให้เดือดร้อนทั<ล>่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> มันเป็นฉลิตของเราที่เป็นคนดื้อไม่เฝึก ให้มันฝึกไปเรามัเจนเพุทธจลิตรู้ตื่นเบิก บ, บานไม่เป็นบาลายกับมาลายมันจะชีวิตจะเป็นอิสระนี่กรรมฐานนะเราจะรู้เราแพ้เราชนะแพ้คนเดียวชนะคนเดียวเห็นโชคเห็นมาโชคชนะ อันทุกเห็นมันทุกชนะอันหลงเห็นมันหลงชนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่เห็นไม่เป็นไม่ต้องไปหาไม่มีคำถามนะไปรกรรมฐานนี่มันน่าจะขยันของเท้ของจริงมาให้ดูสัมผัสได้ ความหลงความไม่หลงความทุกข์ความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธความพอใจความไม่พอใจโมนี่ต้องมีแน่นอนเห็นเห็นธรรมปับลงไปเห็นเลยไม่ฟรีเห็นกายเคลื่อนไหวมีจริง เห็นใจมันคิดมีจริงจริงเหมันสุขเห็มันทุกข์มีจริงจ ร, งจรงารที่เรามีสติเนี่ก็แต่ให้มีกรรมที่ตั้งเอาไว้จะหลุดไปง่ายๆเอากายเป็นมิตตั้งไว้ก่อนว่ทําเป็นแล้วก็วไม่ต้องหัดทำนี่หรืออะไรทำยังไม่เป็นต้องหัด เราใครใครจะบอกเราเราบอกเราเองใครจะรู้เราเรารู้เองอะไรที่ทำยังไม่เป็นเราก็เราจะจะเราก็จะรู้อะไรที่เราทําได้แล้วเราข้อจะรู้กลับไปมาใช่ให้มันอยู่ดี่ลงดูถ้าเราไม่หัดมาก่อกลางคืนเป็นควนันกลางวานันเป็นเปลว ก็เกินว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดใี่เรื่อยชีวิตเนี่ยวัตตะโอนเวียนวเลยหอบพิอวไปอันเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตไม่มีชีวิตชีวิตอันเดินเอาไปใช้หมดบางทีรับใช้มัน ตามตามความโกรธให้ความโกรธทำให้เกิดการแตกแยกทำลายล้างึ่งกันและกันได้ความโกรธมันลายขนาดนั้นก็ยังไปรับใช้มันอยู่มันนก็พึ่งกันมาได้ถ้าหมายเห็นเช่าไม่เป็นไปกับอาการต่าง จะเกิดกัลยะาณมิตรในชีวิตขึ้นมาสงสารสงสารตัวเองเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความหลงเบื่อหน่ายความโกรธเบื่อหน่ายความทุกข์เบื่อหน่ายอะไรต่างๆที่มันพายเป็นกรรมรับใช้เบื่อหน่าย <c oughs> เรียกว่า <c oughs> วิลาคะจางสา นี่คือมันจะเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นเป็นคู่มีสุขก็ไม่มีสุขมีทุกข์ก็ไม่มีทุกข์มีเกิดก็ไม่มีเกิดมีเจอก็ไม่มีเจอมีเก็บก็ไม่มีเจ็บมีตายก็ไม่มีตายนี่หลงก็ไม่มีหลงมี อะไรต่างๆเป็นคู่จะเป็นกันยามิตรกับตัวเองได้เป็นกันยามิตรกับคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นได้ผู้ที่เข้าถึงทำแบบนี้จะไม่ค่อยทะเลาะกับใครไม่ค่อยทะเลาะกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับตัวเองเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วก็เหมือนกันหมดชีวิตของคนเรา ถ้าเข้าใจชีวิตของตัวเองแล้วเข้าใจชีวิตคนอื่น้วยจักช่วยคนอื่นเหือ น, นกับรอสายายพระสูตรประดต o r t h ทมคำสอนของพระเจ้าจนผู้นั้นจะถึงฝั่งพระในพ่านถ้ามนุษย์ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจะถึงภานผ่านมีน้อยนัก อยู่ตรงไหนล่ะไม่เปลี่ยนนะปฏิบัติตามธรรมให้มีความโลภเช็ดตัวไปนั้นหลงโูภไปปฏิบัติตามธรรมอย่าปฏิบัติตามอธรรมยอมหลงไม่ใช่ธรรมยอมไม่หลงนี่คือเป็นธรรมแต่ถึงฝั่งแห่งพระเนปทานนั่นเป็นที่สงัดเึิงจัดยินดีได้โดยยาก โลกมันดูดมันมีรสชาติมันดูดข้ามได้ยากถ้าไม่ใส่ใจไม่มีศรัทธาเปลี่ยนหลงเป็นรูนี่ก็ได้ยากมันมีรสนะความหลงนะความโกรธก็มีรสตามตามความโกรธมากเท่าหลายฆ่ากันทำลายล้างกันเพราะความโกรธ แตกเล่าสมัคคีกันเพราะความโกรธมันมีรสชาติถ้าได้โกรธไม่ลืมมันก็ข้ามได้ยากถ้าไม่มีศรัทธาต้องเป็นทีมนะมันเล่นกีฬาทีมของนักกีฬาคือตัวบุคคล <c oughs> แมนโซเชียทียมของนักกีฬาคือตัวบุคคลเป็นคู่ส่งให้กันทีมของกีฬาคือกรรมฐานนะไม่มีตัวบุคคลมีศรัทธานี่เป็นทีมของเรามีความเพียร ทีมของเรามีสติเป็นทีมของเรามีสมาธิเป็นทีมของเรามีปัญญาเป็นทีมของเราไม่ใช่เราคนเดียวเวลาเราทํากรรมฐานเนี่ยเยอะแยะศรัทธาเชื่อก็ทําดีมันต้องดีทําชั่วต้องชั่วมีคนอื่นทําได้มากแล้ว สองปันกว่าปีมาแล้วจะมาถึงรุ่นพวกเราทวนนี่พอจะเห็นร่องรอยครูอาจารย์ของพวกเรามีคนท่ <c oughs> านตรงนี้มาแล้วแลว้วเราก็ศรัทธาใครก็เคยหลงจึงมาสอนเรื่องหลงเป็นอากศนแน่ๆ ไม่ดีชักหน่อยเลยความไม่หลงเป็นกุศลแน่แนดีเราก็ได้ยินมามาสัมผัส ด, ดูโอ้ยพระพุทธเจ้าผ่านตรงนี้เหยียบตรงนี้ไปแล้วอูอาจารย์ขเขนหลงผ่านตรงนี้เหยียบตรงนี้ไปแล้วนี่คือศรัทธาไม่เชื่อหลงเราจะเสมอภาคไม่ใช่ ตคนที่ไม่หลงก็มีในเรื่องเราหลงที่เราโกรธตรงที่เราโกรธคนอื่นไม่โกรธก็มีมากศรัทธาบ้างไม่ใช่เราอยา่าไปเหมาเมาทำไม่ใช่อไอ้นะนะก็ไม่หลงก็ไม่โกรธตรงนี้เราจะมาโง่งเง่าอยู่ทำไม เป็นมโนุษย์ไม่ใช่สัตว์ดิเรกชันสอนไม่ได้สัตว์หรือเราจะเป็นสัตว์ดิเรกเหลือมาดูตัวเองไม่ก็ไ่ก็ไม่ก็ไม่ใช่มันไม่มีหางเหมือนหมามันเป็นคนมันเปลี่ยนได้อยู่เราเป็นมนุษย์เราจะไปกูหง่ายหน่ะสอนไม่ได้สัตว์ดิเราชน ฝึกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการศรัทธานี่แต่ว่าทีมของเรามีสติเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งแน่นอนปั๊บเกินมาูลชั่นตัวลางสาอาไม่เป็ี่ยนในาีสาสะอาไม่เปืเ้อนมันจะเพื่อนบลางกันปะมันเราไม่น้ำอาบ ตึงขึ้นมาแปลงฟันล่างหน้าไปดูต่อหน้าใครก็ได้มั่นใจเราได้แลงฟันเราล่าหน้าแล้วแล้วก็สาดจาดกายด้วยนะ้าสาดใจด้วยสติด้วยกรรมฐานมันทำได้นะมั่นใจจะไม่เบียดเปลี่ยนตนเอง1้0ยเเ จะไม่เบียดเบียนคนอื่นร้อยเปอร์เซจึงเกิดกัลยาณมิตรขึ้นมามีสติมีปัญญามีสมาธิเชื่อมั่นแน่วแน่หลงไม่ถูกต้องไม่หลงถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องที่สุดลอยในโลกความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องมันก็ไปลวบ่ทะลุทะลวงไปละบ่ บางอย่างมันท well ั้งอกกอดเปิประตูเปิดให้อย่างเราไปม็กซีเลยเลยตัสเลยไปสนามบินอ๋อเดินไปประตูเปิดพีกเลยไปโรงพยาบาลจุฬาการตุ้มป่าเดินล่านาประตูเปิดชัดเลย โอ้เนี่ยธรมาเปิมอยู่หล้อ่าเพันเปิดมันบอกพิดมันบอกถูกมันบอกก็มันปิดจจงมาไปไม่ได้จริงไหนไปมนได้ไม่ใช่ประตูความหลงไม่ใช่มันติดมันเปิดไต้ไม่หลงประตูอยู่ตรงนั้นออกไปตรงนั้นห่านทุก เปิดออกไม่ทุกเปิดออกไปิดเจ๊งจะเรียกว่าเป็นทางบางที่เราขวงทางถุยไปทางขวงเรียกว่าได้รับสานถ้าใครไปทางขวงเรียกว่าได้รัชสานไปทางขวงแบบไหนทําไม่ได้ มันโกรธอย่าโกรธอน้องไม่ได้ไม่ได้เดรัฉานไปทางขวางขวางถั่วเองเอาไว้นั่นแหะไม่ต้องไปคาเหมือนหมาเป็นเดรฉานถ้าไม่เอาชนะความชั่วด้วยความ ด, ดีมนุษย์มนุษย์เดรัฉานหนอกหน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัฉานเนี่ย เห็นแล้วโอ้ยปวดทุกสองสิบปีเป็นทุกอย่างเป็นทั้งเปตเป็นสุรกายเว็นซาตโกเป็นไดชานสัมผัสกับความเป็นพระประเสริฐไม่เปิ ด, ไ ม, ปดไม่เพื่อนขึ้นมาเป็นพบปั่นชีวิตใหม่นะวะชีวันชีวิตใหม่ขึ้นมาต้องเป็นอย่างนี้กรรมฐานจึงจะเรียกว่าล่วงพ้นเพราวาเก่า ตวงพ่นภาวะเดิมเดิมเปลี่ยนภาวะเติมมาเป็นภาวะใหม่ไม่ใช่เปลี่ยนกายเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานเปลี่ยนในด้านจิดใจหรือชีวิตจิตใจที่ใช่อะไรเป็นประโยชน์กว่าเก่าแต่ก่อนเป็นโทษใ้ใจก็ไม่มั่นใจตัวเองแบบนี้เพือ่อเปกไปเปลือกไปยังมั่นใจเพราะมันเห็นหลักฐาน เันกายเห็นใจเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามลอยเปลเ่ยนต่รูปทำเป็นนามทมแตกฉานตรงนน้รูปมันบอกนามมันบอกความโศกความทุกข์เกิดจากรูปจากนามเป็นอาการแต่ก่อนเป็นใกายเป็นใจที่ว่าโศกว่าทุกพอมเห็นเป็นรูปนามแล้วมันเห็นเป็นอาการนิดหน่อยคิิบจ้อยเบาบา ง, บาง ไม่แน่นนะฉันทะลุทะลวงคนมีความรู้มองอะไรทะลุทะลวงไปเป็นอาการสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามนะเป็นอาการถ้าเป็นกายเป็นใจเป็นฉุกป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นเหิวเป็นปวดเป็นเมื่อยถ้าเห็นเป็นรูปทำน้ํามทำเป็นอาการ ให้ต้องเรียกภาวาสุขว่าทุกอาการเท่ากันเหมือนกันหมดสุข ก, ก็คืออาการทุกก็คืออาการของโกรธความโลภความหลงก็คืออาการความร้อนความหนาวคืออาการความหิวความเจ็บป่วยคืออาการของรูปของนามของมาใช่สุขมาใช่ทุกเลยไม่ฉวนเฉีย ว่ามันเห็นแก้งมีปั จ, จนาญาณเห็นแก้งตามความเป็นจริงมันหลงก็เห็นเป็นอาการมันรู้เห็นเป็นอาการมันผิดก็เป็นอาการมันถูกก็เป็นอาการในเรียกว่าชอบไม่ชอบไม่มีแล้วพอใจไม่พอใจไม่มีในอาการต่างๆ ไม่เกิดไม่เก็ไม่เก็บไม่ใจในอาการต่างๆเห็นอะไรเข้าไปซ่อนอย่นล่างบางเห็นสมมุติเห็นสัมผัสเห็นสมมุติเห็นบหมืนหยัดเห็นวัตถุเห็นอาการที่เขาแสดงตาเห็นรูปเรียกว่าสัมผัส ราหว่างเห็นมีสติรู้แจ้งถ้าไม่มีสติไม่เห็นใจเป็นก็ไมีสมมุติขึ้นมาชอบเรียบัญญัติขึ้นมาชอบไม่ชอบถ้าไม่มีสตินะไถ้าเป็นเราชอบไม่ชอบมีสมมุติมีบัญญัติสมมุติไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไมจริงธรรมะจริง ความโกรธเป็นสมมติความไม่โกรธเป็นปรมัิความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมัดปรมัตถ์สภาวะธรรมที่คือเห็นธรรมมีวัตถุมีวัตถุมีอาการมันก็ต้องมีอาการมีวัตถุเพราะมีตามีลูกมีหูมีเสียงมีกลิ่นมีรสเอมีสัมผัสต่าง แตกฉานเลยตอนนี้เข้าแถวมาพังพินาศไปเลยทะลุทะลวงไปเลยเปิดไม่ปิดมองอะไรไม่มีอันปิดสะดวกชีวิตสะดวกไม่ติดไม่ข้องไม่ติดเหมือนจักรจร่จรกรกรจักรจรชีวิตเราติดขัดภาพ แับนี้มั น, เ ป, นเป็นชีวิตที่ฟรีเวสะดวกที่สุดนะมันก็เลยง่ายถึงกับภาวะการเกิดเจ็บเจ็บตายเป็นการสะดวกไม่มีจริงๆว่ยงว่ทุกอนยะ่าเชื้อเพี ย, ยันทำไมน่ยให้มัน พบทำตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นน้อยมันจะมีชีวิตสะดวกไปยาวนานนอกจากคีวิตเราสะดวกคนเดื่นก็สะดวกเสงเงินก็สะดวกอะไรก็สะดวกไม่มีการเบียดเบียนเอาละตอกเปรียบเช่นกันและกันน่าอยู่โลกแน่มองอะไรเป็นนักเป็นผลไปหมดถึงจุดหมายปลาทางหมด ไม่ไม่มีไม่มีพุบมีภูมมาเลยนะถึงจะหมายปายทางหมดที่สุดของชีวิตของคนถึงตรงนั้นแล้วขอบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรในชีวิตเนี่ย ว่าไม่เป็นอะไรกับหลไรที่มันเรื่องของกายของใจไม่เป็นอะไรอะไรกับมันเลยไม่จะเห็นจบงยๆอะไรก็จบไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วรู้เห็นแล้วไม่ไม่เอกใจอะไรที่มันนะก็ผ่านมาแล้วผ่านทุกเก่งพ้นทุกผ่านทุกอย่างเึงพ้นมาผ่านมาอย่างโชคโสน เวลาเราปรกรรมฐานยิ่งเราเป็นรอดผู้คล่องเรือนมีร่องรอยแห่งพบภูมิต่างๆยิ่งลื่ถอนในสนุกนะลื่นถอนในสนุกชื่นเบญชื่นกรรมเคยโกรธเคยทุกชื่นทุกข์ชื่นโกรธยิ่งไม่พบภูมิบ้างยิ่งยิ่งยิ่งไม่รดชาติ ถ้าใครมีเรียบเรียบก็สะดวกดือเหมือนพระอรหันต์บางโลกเป็นหนูอยอ่ออะไรนะรูง้ง่ายง่ายรู้ทำได้ง่ายเราฟังปั๊บรู้ทันทีจะรู้จะ ล, ลวงเราไม่มีอะไร เหมือนทะลุไปแล้วพอมีคนแยกขน้ดไปได้เลยเหมือนคนอ่านหนังสือไอชิวดีนี่คนบางคนไม่มีร่องรอยเรานี่มีร่องรอยมากเหมือนชื่อเ ต, ตินทางมาไกลได้เห็นหอะไรต่างๆรันเดียวกันหมด เราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราหัอกเดียวกันเปลี่ยนแปลงนี่คือปฏิวัติธรรมนะมันถึงจุดหมาปลายทางคือไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะมันเห็นแล้วจึงไม่เป็นถ้ายังไม่เห็นไม่เป็นเลยไม่ได้เช่นเราเห็นคนตกน้ำจะไม่ ไม่ช่วยไม่ใช่แบบนั้นไม่เป็นคือว่าไม่ช่วยแบบนั้นช่วยช่วยไม่ได้ช่วยเต็มทีไม่ก็ไม่ได้แล้วคนโกรธเราก็ช่วยไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชีอะไรคือทำแล้วจึงไม่เป็นไม่ใช่ไม่ทำอะไรแล้วจะมาปฏิเสธไม่ใช่ทาแล้ว อันเลือกของเรานะไปเฉดแล้วคนอื่นไม่ใช่ไปเฉดช่วยจนสุดความสามารถชิงอื่นวัตถุอื่นไปไม่ป่าไม่ดับไปมันก็ไม่ใช่ดั บ, ดบคนที่เป็นะดับไม่มีอะไรที่ต้องไปขวางขั้นการทำความดีอันดับไปไเป็นความดีอานปลูกป่าเป็นความดีการ ช่วยคนเป็นความดีทำให้เขาพ้นจากความไม่ดีแต่ตัวเราเน่ไม่ทาไม่ทำอะไรที่มันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่เป็นไรทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษเดยเป็นทุกข์เป็นโทษัวรตัวเองแบบนี้ไม่ทำอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษนั่นเรียกว่าบริสุทธ ่ชีวิตของเรามันน่าจะถึงตรงนี้ง่ายๆถ้าชำนาญล้วก็ต้องไปเรียนนั่งอยู่เฉยก็ได้บารู้ทำคือไม่เป็นไรทำได้เลยมันสุขไม่เป็นสุขมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์อันนี้ช่วยไปก็ได้มีการกระทำเขาเปียจริงชัดเจนนะขาบอกอย่างนี้ผู้ในฟังแบบนี้ ทำไปได้เลยกรรมฐานการกระทาถ้ามันจะหลงไม่หลงถ้ามันจะทุกข์ไม่ทุกข์นังอยู่นอนอยู่ไม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่ปุงไม่แตงหยุดแล้วนอนก็หยุดนอนแล้วถึงก็หยุดปุงแตงนี่คือกรรมฐานให้เป็นกรรมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองหนุ่มสาวกรรมฐาน เพื่อนเป็นเพื่อนกรรมฐานการงานกรมนนกรมฐา น, นาพี่บาญกรรมฐานนายแพทยกรรมฐานแอร์บ้านกรมนกรมฐานครูกรรมฐานพ่อบ้านกรมนนกรมฐานในกรรมฐานแต่บ้านแต่เมืองที่ตั้งแห่งการกระทำทำทำดีเลาะชั่วทำดีนะอันนี้ก็พ อ, พอนะสมควรแก่เวลากับพระพร้อมกัน